เรื่องบำบัดอาพาธด้วยธรรมปกติท่านพระอาจารย์มั่นจะจากวัดที่อยู่จำพรรษาจาริกสูที่เป็นที่เที่ยวไปก็ต้องสส้นฤดูการกระถินเสียก่อนเมื่อท่านพระอาจารย์ปรารบจะเปลี่ยนสถานที่เพราะอยู่บ้านนามนบ้านโคกสีสุพรรณมานานแล้วมีหลายสำนักที่สิทธิ์ไปจัดถวายไว้ แต่ท่านปรารบจะไปสำนักป่าบ้านห้วยแคนห่างไม่เกินสิบกิโลเมตรพอได้เวลาก็ออกเดินทางปราไปส่งหลายรูปท่านส่งกลับหมดผู้เล่าโชคดีได้อยู่สององค์กับท่านมีตาประขาวอีกคนหนึ่งชื่อแดงความเป็นอยู่ก็สะดวกสบายตามอัตภาพแม้ชาวบ้านยากจนแต่เขาก็ไม่ให้ท่านพระอาจารย์ยากจนด้วย จึงมีเหลือฉันทุกวันมีหนําโยมที่ไปถวายบิณฑบาตขาไปเต็มกระติบขากลับก็ยังเหลือเต็มกระติบเพราะหมู่บ้านใกล้เคียงได้ ข, าข่าวก็มาใส่บาตรบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้างมีอาจารย์วิริยังอาจารย์เนตรอาจารย์มนูนํามาบ้างบางวันมีกิจกรรมบูรณะหรือซักสะบงจีวรท่านเหล่านั้น ก็ช่วยกันทำให้เสร็จก่อนจึงกลับหากเป็นวันลงอุโบสถพระลูกศิษย์ที่พำนักในที่ต่า ง, างๆมารวมกันรูปที่อยู่ไกลหน่อยก็มาพักแรมนำญาติโยมหาบสเสบียงมาพักแรมทำอาหารบิณฑบาตถวายด้วยเสมอมาจึงไม่มีอุปสรรคใดๆในการเจริญสมณธรรมหนึ่งเดือนผ่านไปอากาศเริ่มหนาวจัด ท่านพระอาจารย์ปรารพจะทำซุ้มไฟผู้เล่าบินทบาดได้มาชันกับท่านแล้วช่วยกันทำกับชาวบ้านวันสองวันก็เสร็จประมาณเริ่มเดือนยี่ท่านเริ่มไม่สบายมีอาการคอตั้งเยียงซ้ายขวายากโรคนี้คล้ายเป็นโรคประจำแต่ไม่เป็นบ่อยมาสกล น, นครห7ถึงปีก็เพิ่งจะเป็นครั้งนี้ ก็เช่นเคยท่านบ่นถึงพระมหาทองสุขกูเล่าเลยให้โยมไปนิมนต์ท่านท่านพักวัดป่าบ้านห้วยหีบและท่านอาจารย์สอสุมังคโลด้วยท่านอยู่บ้านนามนท่านทั้งสองก็เดินทางมาวันนั้นเลยพอมาถึงทั้งชาวบ้านและพัะขาวแดงประดมกันหายามีเปลือกแดงเปลือกดูใบเป้าใบพลับพลึงใบกระบูนมาสับมาโคกละเอียดดีแล้ว ตั้งหมอหอยาวางบนปากหม้อร้อนแล้วเอาผ้ารองวางประครบบนบาไหลบ้างหลังบ้างบนศรีรษะบ้างอกวันผ่านไปท่านก็ยังออกบินทบา ท, ทุกวันผู้เล่านอนพักที่ซุ้มไฟกับท่านตั้งแต่เริ่มไม่สบายพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่เจ็ดท่านตื่นเวลาสามนาฬกาเป็นปกติปลุกผู้เล่าลุกขึ้นซุ้มไฟ เพราะไฟอ่อนแสงแล้วท่านล้างหน้ากรองผ้าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต่อจะต้มยาถวายเหมือนทุกวันท่านไม่เอาผู้เล่าก็ไหว้พระนั่งภาวนาจะนอนก็อายท่านตลอดหกวันที่ผ่านมามีเวลานอนไม่พอนั่งสัประงกตลอดรุ่งหลับๆตื่นตื่นพอสว่างจัดบริการออกบิณฑบาต เพราะพระที่อยู่ในรัศมีใกล้จะพาญาติโยมมาอ้างฆ่าเต็มที่ตกตอนเย็นหลังจากเดินจงกรมแล้วท่านเข้าซุ้มไฟผู้เล่าเข้าไปก่อนเตรียมปูเสื่อสำหรับมูคณนะพอได้เวลาจะต้มยาท่านว่าไม่ต้องคอยอยางชั่วแล้วต่อจากนั้นท่านก็เริ่มอธิบายธรรมะยกเป็นภาษาบาลีแรกว่า อัตตะเตระสะและถามว่าท่านสอคือท่านอาจารย์สอสุมังคโลถามท่านสอว่าแปลว่าอะไรท่านสอว่ากระผมไม่รู้จักภาษาบาลีท่านจึงหันไปที่พระมหาทองสุขท่านมหาก็อ้าอึงด้วยความเกรงว่าจะเป็นการอวดฉลาดท่านบอกว่าแปลให้ฟังก่อนหน้า ท่านมหาเรียนมาแล้วลัวทำไมท่านมหาตอบว่าอัถะแปลว่าแปดเตระสะแปลว่าสิบสามขอรับกระผมท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าถูกต้องถูกต้องสมเป็นมหาจริงๆท่านอธิบายว่าอาพาธคราวนี้บาบัดด้วยมรคแปดและทุดดวงสิบสามเป็นมรคคาสามัคคีกัน ต่อจากนั้นธรรมเทศนาใหญ่ก็เกิดขึ้นพระที่อยู่ในรัศมีใกล้ยังไม่กลับประมาณสิบห้ารูปสมไฟบรรจุเต็มที่จะนั่งได้ยี่สิบรูปท่านอธิบายมรรคดสัมพันธ์กับทุดงส3บสายังมีระบบเป็นวงจรเหมือนลูกโซ่ซึ่งผู้เราและพระในนั้นก็ไม่เคยฟังสองชั่วโมงเต็มพอเลิกตังก็พูดกันว่าโชคดีเพราะไม่เคยฟัง เดือนสามย่างเข้ามาท่านพระอาจารย์ก็หายเป็นปกติเพื่อนบรรพชิตต่างก็ทยอยกันกลับสำนักเดิมทั้งนี้เพื่อท่านพระอาจารย์จะได้วิเวกจริงๆคงมีผู้เล่าและพระขาวแดงเท่านั้นก็สะดวกดีเพราะทั้งผู้เล่าและพระขาวก็เป็นบุคคลสัปปายะของท่านอยู่สุมมไฟยังไม่รือ้ออากาศยังหนาวอยู่